อยากโยนทังหลายตอนนี้ไปก็ถึงวาระที่เสียงจะไม่ออกแต่ว่าก่อนที่จะถึงการแนะนำการเจริญกรรมฐานก็ขอเวลาพิเศษสัก10นาทีดีไหมน้อยคำว่าเวลาพิเศษคือว่าเมื่อวานนี้ได้ลงมาแนะนำนในการเจริญเพือรรคฐาน พอให้ทุกคนสมาทานเสร็จเออเด็กก็นาะให้ออกไปให้หมดนะพอสมาทานเสร็จก็ทำภารกิจต่างๆในหน้าที่ของครูเสร็จหลังจากนั้นก็พิจารณาร่างกายตามที่พระติสษะท่านพิจารณาขณะที่พิจารณาอยู่ รู้สึกว่ากําลังใจมันก็ห่วงร่มันมีกังวลกับร่างกายเล็กน้อยแต่ว่าพอดีมีพระท่านมาท่านบอกว่าคุณอายุน ด, ดีกว่าถ้ายังอยู่ตรงนี้ขึ้นชื่อว่าความกังวลกับร่างกายมันย่อมมีเพราะร่างกายมันป่วยหนักเป็นไข้วันนี้เป็นไข้วันนี้ก็เป็นไข้แต่วันนี้ที่ยีสิบเก้าวันที่สิบเก้าสิงหาคม เวันนี้ที่สิปท่านบอกว่าเอานี้กันแล้วกันดูพระไหนอกให้จับอนาปานุสติทำกำลังใจพอดีกับทิพยานก็ทำตามท่านเมื่อทำตามท่านพอจับอารมณ์ปั๊บจิตมันก็สว่างเห็นจีวรมีสีเหลืองจีวรของฉันเองให้ดูจีวรพระดูสีทุกคนทุกคนมันก็ทรงตัวบดจะมีแสงสว่าง หลังจากนั้นท่านบอกว่าเอาเปิดเอาอกมาพระสองอค์ออกมาเจีิงพระสององค์นี้เป็นใครท่านะไม่บอกนะหลังจากนั้นท่านก็บอกไปเที่ยวกันตอนที่ไปเที่ยวนะท่านแสดงแทนที่ท่านจะพาไปสวรรค์ไปพุทมณโลกก็ลอยขึ้นไปแล้วไปเห็นใกล้ดวงจันทร์เข้าไปทุกทีในที่สุดก็ถึงดวงจันทร์ ก็วะที่โลกไฟจัน์ก็นึกในใจว่าโลกไฟจันท์นีม่มาหลายคราวเลยครับอโยมถ้ามาจะเจอเดินกรรมฐานออกข้างนอกอโยมนะถ้าไม่จะเจอดินกรรมฐานต้องออกข้างนอกเ ม, นะมืเ่ อ, อ, อ, อแวะเข้าไปถึงโดวงจันทร์ก็บังเอิญท่านพาไปพบสถานีสถานีหนึ่งสถานีนี้มีกล้องเยอะ ท่านเลยบอกว่าสถานีนี่เป็นสถานีของใครใครทํานี่จะไม่บอกนะเพราะมันเป็นความลับของเขาอย่าเป็นคนโลกไฟจันทร์ทำและคนโลกนี้ขึ้นไปทาในเรื่องหนึ่งต่างหากท่านบอกว่าสถานีเนี่ยเข้าส่องดูโลกมนุษย์ <c oughs> เห็นพุกมุมของโลกมนุษย์ <c oughs> เป็นสถานีใหญ่กล้องเยอะ <c oughs> แล้วก็ต่อไปท่านก็พาเดินอีกนิดหนึ่ง พาเดินไปหน่อยแต่ความจริงคำว่านหน่อยทังความเมติภิกษุไม่ไกลมากถ้าจะวัดระยะเวลาทางเดินพวกเราก็หลายสิบ ก, กิโลเมตรอาจจะเป็นร้อยกิโลเมตรก็ไปพบสถานีสถานีหนึ่งเป็นสถานีย่อมกว่าสถานีนี้ไม่หินกล้องแต่พระจะบอกว่าสถานีเนี่ยมองเห็นโลกทั้งโลกหินชัดเจนมาก ถามระหว่างสองสถานีนี่ใครเห็นได้ชัดเจนกว่ากันทุกมุมของโลกถ้ามองสถานีใหม่เนี่ยเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสําหรับสถานีต้นมีแต่กาลังมองเห็นอย่างเดียวที่ตอนนี้ไม่ต้องนมมือเนื่อกหลวงพ่อจะเมื่อยประเดี๋จะเตือนกรรมฐ า, านสถานีแรกมีแต่เห็นอย่างเดียว แต่ว่าสถานีที่สองนี่มีกําลังวิเศษหนึ่งเห็นทุกมุมของโลกทุกประเทศเลือกทั้งโลกทุกประเทศเนี่ยเขาจะเห็นชัดเดีต้องเขาทาแบบไหนก็อย่างของเขาและนอกจากนั้นยังมีกําลังเขาเรียกกาลังอะไรเนบนทิศ ท, ทางของอาวุธถ้าอาวุธยัเข้าไปถูกเป้าหมายของเขากําลังไอวิทยาศาสตร์เขาจะเบนอาวุธให้พลาดไป หนึ่งและบริการในสองมีกำลังยับยั้งอาวุธที่ยิงเข้าไปการยับยั้งนี่มัใเขียหมายความมาททำให้หยุดเราบอกว่าอาวุธที่ยิงเข้าไปไมันต้องไประเบิดปลายทางแต่ว่ากำลังของเขาส่วนนี้จะทำให้อาวุธตันด้านและกำลังอีกส่วนหนึ่งจะทำลายอาวุธที่ยิงเข้าไป หมายถึงว่ากระสุนและกระโดก็ตามที่ยิงเข้าไปเนี่ยเขาจะทำลายในอากาศและก็เมื่อท่านอธิบายแล้วก็าถามท่านว่าสถ า, านีนี้ใครสร้างท่านก็บอกแต่เมื่อกี้นี้ที่ไปหาท่านบอกจงอย่าบอกสถ า, านีท่านจะของสถ า, านีเพราะมันเป็นความลับของเขาหลังจากนั้นก็เดินไปอีกพักหนึ่งอี ก, กวัาเดียวหนึ่ง ก็ไปเจอสถานีเล็กๆอีกสถานีหนึ่งที่ที่โลกไฟจันนะสถานีนี้ส่องเห็นไปภาคเอเชียทั้งหมดเห็นชัดเจนหมดการเคลื่อนไหวแต่ว่าถ้ามองมาทางยุโรปและอเมริกาจะเห็นไม่ชัดเป็นสถานีที่เล็กกว่านอกจากสามสถานีแล้วก็มีจุดต่างๆสถานีดูโลกเราแบบนี้มีหลายจุด แต่ว่าจุดไหนจะเป็นของใครชาวโลกพระจันท ร, ร์ทำหรือว่าชาวโลกมนุษย์เราขึมเมรรำไอ้นั่นก็เป็นเรื่องความจริงทราบแต่ว่าท่านบอกไม่ให้บอกตอนนี้ก็สงสไยใจว่าท่านจะพามาทำไมที่นี่การรู้การรู้แบบนี้มันก็มีประโยชน์น้อย แต่ว่าที่ในประโยชน์ที่สันพาไปเด็มพอยืนหยุดอยู่ท่านก็นเลยบอกว่าที่พามาให้ดูสถานีต่างๆรู้กายเคลื่อนไหวทั้งโลกทั้งหมดมนุษย์เนี่ยไม่ไม่พ้นเขาเว้นไว้แต่ว่าสถานีเล็กในรู้เฉพาะเอเชียรู้ชัดซาทเบย์ประเทยุโรปเมริกาจะเห็นไม่ชัดท่านก็นเลยท่านบอกว่าฉันต้องการให้ทราบตามนี้ คือสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่ปรากฏเป็นระบบวิทยาศาสตร์คนที่สั่งการให้ทำในการก่อนก็ดีคนแรกคนที่รับคำสั่งมาก็ตามและคนที่ทำทั้งในก็ตามเรียกว่าหลายหลายคนหลายรุ่นคนคนคนําคนแรกสั่งการแล้วคนที่รองลงมากาลังทํากาลังคิดยังไม่ทําคิด คนที่สั่งการคนแรกก็ตายไปแล้วคนที่คิดก็ตายไปแล้วต่อมาคนเบื้องหลังก็มีคนสั่งอีกคนสั่งให้ทำต่อคนคิดก็คิดต่อไอ้รุ่นที่สองทั้งคนสั่งคนคิดก็ตายไปแล้วเมื่อรุ่นที่สามก็สั่งให้ทำอีกคนคิดก็คิดต่อพอครั้งที่สามไม่เริ่มปรากฏพอเรื่องโผล่กายขึ้นมา ในที่สุดคนสั่งก็าตายคนคิดคนคิดคนสร้างก็ตายมาอันดับที่ห้าพอถึงอันดับที่ห้านี่ถึงจะทำกันได้คือ่ห้าชั่วคนฉันก็เลยบอกว่าเท่าที่พามานี่ไม่ใช่ให้มาติดไอ้กล้องทั้งหลายเหล่านี้คือกล้องส่องดูมนุษย์สโลนทีามันจะบอกให้ติดแล้วก็มันจะบอกให้อยากได้ ให้มีความเข้าใจตามความในจริงว่าคนจะมีความสามารถขนาดไหนก็ตามจะมีบุญวาสนาบารมีขั้นปกครองประเทศปกครองโลกก็ตามหรือวก็จะมีวิชาความรู้คิดอะไรได้ตามความประสงค์ก็ตามแต่ทุกคนก็ตายหมดตามที่เธอไข่ควรเมื่อกี้นี้ว่าจิรังวตยังกายโยซึ่งแปลว่า อีกไม่นานนักดอร่างกายนี้วิญญาณก็จะไปปล่อยเจื้อวิญญาณก็จะพ้นไปหมดวิญญาณวิญญาณตายไปก็มีร่างกายทับถมแผ่นดินที่จะเป็นเป็นร่างกายที่จะว่ายเราทิ้งแล้วก็มันสกปรกก็มีอาการเหมือนกับว่าท่อนไม้ที่ไม่มีความไม่มีประโยชน์นั่นก็รวความว่าการพิจารณาแบบนั้นก็เหมือนกับคนแบบนี้ คนคิดค น, คนสั่งคนคิดคนสั่งคนคิดคนสั่งคนคิดแล้คคก็คิดแวก็ทำในที่สุดเขาก็ตายอดแต่ว่าคนเบื้องหลังเมื่อตั้งสถานีนี้ได้แล้วแต่ละฝ่ายที่มีความตรงมีความประสงค์ตรงกันคือสถานีใหญ่กับสถานีรองต้องการปกปกครองโลก มาจถึงว่าถ้ารู้การเคลื่อนไหวได้ก็สามารถจะรู้ว่าเขาทําอะไรกันอยู่เราจะได้เปรียบและเสียเปรียบรียสู้เขาได้หรือไม่ได้แต่ว่าพวกตะไลเหลา่านี้ในที่สุดก็ตายอีกจุดหนึ่งเขามองเฉพาะเอเชียหวังจะยึดเอเชียเขาจะเป็นใหญ่ในเอเชียท่านแกบอกว่าพวกนี้ก็ต้องตายเหมือนกัน เพื่อความให้มีความเข้าใจว่าเราจะมีความรู้มีความสามารถขนาดไหนก็ตามมีบุญบาบรมีขนาดไหนก็ตามที่สุดก็ตายจุดที่ไม่ตายก็มีจุดเดียวคือนิพพานแต่เรื่องนี้ยังไม่จบแล้วต่อไปทิศหนึ่งหลังจากท่านอธิบายให้ฟังแล้วท่านก็พาเดินอีกครู่หนึ่งตอนนี้ก็ไปเจอบริเวณทรายสีขาว ทรายที่ขาวแต่รู้สึกว่ามีสภาพแข็งและมีจุดแพล่พราริยักพบางเรียวบางเม็ดแพลวพรางปริยัพตัวหนามมากแต่ก็บอกว่าใต้เม็ดทรายลงไปนี้ถ้ากดลงไปจะพบเม็ดทองคําธรรมชาติเป็นทองคำร้อยเปอร์เซ็นอย่าลืมมาที่พูดนี้โลกใบจันในขายากจะรวยก็ไปเถอะใช่ไหมน้อยไปนะเฮที่นี่โลกใบจันท์ เป็นบริเวณกว้างมากเมื่อท่านบอกว่าทองคำเชือคิดว่าไอ้ทองคํามันก็ไม่มีความหมายสําหรับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทองคําที่โลกไปจันทไม่มีสิทธิ์จะใช้ก็นึกว่าพระท่านแนะนําทําไมท่า น, นที่สุดจะบอกว่าที่ฉันแนะนําคุณเนี่ยไม่ใช่แนะนําให้คุณมีความประสงค์ในทองคําที่โลกไปจันทร์ แต่ฉันจะบอกว่าทองคําจุดเนี่ยมันเป็นทองคําสายเดียวกันกับทองคําที่เชียงรายและลําปางนั่นแหะไอ้อนอ้ อ, นอยชัดใกล้ของมันอะไรสิวันนี้พูดใครอยากได้ทองคำก็สายหน้ากันแถวที่รับแผนเพราะบอกที่เชียงรายกับปางมีชักป่าลุกเหร อ, อถามเขาบอกว่าถามถาว่าที่นี่มันทโลกพระจันทร์ที่นั่นโลกมนุษย์ไกลกันมาก แล้วทำไมทองคาจะเนื่องถึงกันถ้าจะถามไมา่ทีว่าท่านบอกว่านักวิทยาศาสตร์เขาเคยพูดแล้วใช่ไหมว่าในอากาศมีกระแสไฟฟ้าพอท่านถามแบบนี้ก็เลยไม่ถามต่อไปเพราะเราอย่างงงในวิทยาศาสตร์ไม่มีความเข้าใจ <c oughs> ตอนนี้เหลือเวลาอค่สองนาทีเวลาพูดพิเศษนะ ก็ตอนนี้ไอ้ทองคําที่ําปางเนี่ยฉันก็ไม่สนใจก็กลับลงมากับท่านมาดูทองคําเฉพาะที่เชียงรายก็ดีเวลาบ่ายโมงคึ่งก็ต้องกลับไปรับแขกพอถึงเขดเชียงรายเออตอนนี้บอกจุดก็ได้ขยากใช้ผีหักคอตายก็ไปกุดทองคําที่นี่ก็แล้วกันนะไมนหักไปหักว่ะหรือว่าที่เชียงรายเนี่ยเป็นชายแดนที่ติดต่อกับลาว ความจริงมต่อยาวเหยียดฉันไม่บอกเขาตรงไหนเขาห้ามบอกแล้วก็มีแนวภูเขาที่นี่เป็นฐานทองคำมีมกาลังในกลุ่มทองคําหนามากแปลว่าน้อยกว่าที่ชมพรที่ชมพอนี้มากกว่านี้เยอะแต่ว่าที่นี่ก็ตักไม่ค่อยเรรู้จักหมดเหมือนกันเป็นเม็ดทรา ย, ยนะเอาปัจจุบันนี่ถามว่าปัจจุบันใครรู้บ้าง ก็ต้องตอบว่าพวกชาวเขาที่ขุดกันมาสามชั่วคนแล้วใช่ไหมคือรุ่นปูรุ่นปูใี่พบสายทองจริงๆสายทางเดินของทองแต่ไม่พบกลุ่มใหญ่พบแต่สายสายเดินั้งทองเขาขุดเขาร่อนได้วันปริมาณมากวันละหลายบาทสองสามบาทเขาเอาเตาสู่เข้าไปทำเป็นเครื่องหลอมทำมันแท่งออกมา เพืรุ่นพ่อรุ่นพ่อก็ร่นได้แต่ไม่เข้าไม่เข้าึงสายใหญ่คือเป็นลูกของปูร่รู้มาค่อยชัดนักก็ยังได้เวลานี้รุ่นของหลานกำลังขุดึ้นอยู่ก็เป็นสายไม่ใช่สายทางทอ ง, งเดินจริงเป็นกระแสทองที่กำกระจายอยู่ปนกับดินเหนียวบ้างปนกับดินร่วนบ้างแต่ไม่ใช่ปนกับทราย แต่ทั้งๆ ท, ที่เป็นกระแสทอเที่ห่างไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่มีปริมาณไม่มากเขาก็ได้กันเขาบอกว่า20วันเนผมได้ประมาณ6บาท ก, กว่าครับพอนะบงบ้างพวกนี้ยกไปขุดทอก็ได้นะระวังทีมหาคอตายนะก็เป็นนั้นว่าได้เวลาพอดีตอนนี้ไปก็ขอแนะนำเใน่การเจริญกรรัฐาน เด็กๆที่มานี่มาคืนอนอนกันเปล่าข้างหลังเขาไม่ได้นอนกันมั้งเลยจะนั่งกรรมฐ า, านแล้วนั่งกรรมหลับกันวะดีไม่ดีก็นนั่งฝันถึงทองโลกพปจันต<ะ>์ก็เป็นว่าการเจริญกรรมฐานแบบนี้เป็นกรรมฐ า, านหมดที่สาม กรรมาฐานจริงๆในพุทธศาสนานี่มีมากถ้าพื้นฐานจริงๆจะมีสี่สิบอย่างพื้นฐานต้นนะแต่ว่าเป็นกรรมาฐานแยกกลุ่มซะเยอะแยะวิธีปฏิบัตินับเป็นพันอย่างก็เสียแต่คณาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งจะเลือกออกมาเพื่อเป็นความเหมาะสมกับบริษัทของท่านเสําหรับกรรมาฐานถ้ามีหล้ยสิบแบบมีสี่สิบแบบ แบ่งเป็นหมวดด้วยสี่หมวดคือหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสุขวิปัสสโกหมวดนี้ปฏิบัติแล้วจะทัทั่วทั่วไปไม่มีความเป็นทิพยไม่สามารถเห็นผอให้สวรรค์เห็นนรกได้หมวดที่สองเรียกว่าเตวิโชแปลว่าวิชาสามหมวดนี้อันดับแรกจะต้องทำทิฏฐานให้เกิดก่อนหลังจากนั้นก็ทำปุเปรเทวาสันติญาณคือรสชาติให้เกิด มีความเป็นทิศทางใจและระลึกชาติได้สองอย่างต่อไปก็จะเริญมมีปรัชนาอย่าเข้าขั้นเป็นพระอเดียเจ้าโมที่สามเรียกว่าชลทิมโยสำหรับโมที่สองเตริโชนันเห็นผีเห็นเทวดาได้ไดเห็นนรกถึงสวรรค์ได้แต่ว่าไปไม่ได้เห็นเทวดาอยู่ตรงนั้นนางฟ้าอยู่ตรงนี้เราคุยกับท่านได้แต่ไปหาไม่ได้ เห็นพรมอยู่ที่นั่นที่นี่แล้วคุยก็ทำได้จะไปหาไม่ได้เห็นได้ทุกอย่างทุกจักรวาลยังไปไม่ได้สําหรับหมดที่สามที่ปฏิบัติกันอยู่เวลานี้เป็นฉละพิญโยเป็นหมวดของอภิญญาเมื่อเห็นแล้วสามารถไปคุยในแดนที่ของท่านพุนั้นได้สําหรับหมดที่สีเรียกว่าปฏิแสงมิทัปปะโตคือไปชิมิชายานหมดนี้มีความฉลาดมาก ยานิการปฏิบัติวันนี้ปฏิบัติในหมวดที่สามที่เรียกว่าชะละพินโยป็นความจริงเราปฏิบัติไม่เต็มกําลังเป็นส่วนหนึ่งของชะละพินโยใช่เฉพาะกําลังจิต <c oughs> เอาไปเฉพาะจิตเรืออ่องทิศมาในกายกับไปด้วยกายเนื้อก็มีสภาพเหมือนกันมันเห็นเท่ากันไปเหมือนกันความจริงเราฝึกยังง่ายกว่าวิธีปฏิบัติจริงๆ อันดับแรกกระคอยทุกคนแผ่เมตตาจิตไปในจักรวาลทั้งปวงคิดว่าโลกทั้งโลกนี้จะเป็นสัตว์ก็ดีจะเป็นคนก็ดีเราจะไม่เป็นเวนเป็นภยัยไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะเป็นนิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งหมดอย่างนี้จิตจะเป็นสุขอารมณ์จะสบายหลังจากนั้นก็ทุกคนตั้งใจระ ง, งับขีวณห้าแประการ เงื่อนหาประการก็คือหนึ่งความรู้สึกพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลินหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศนี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองอารมณ์ไม่พอใจข้อที่ 3. ความง่วงข้อที่สจิตฟุ้งซ่านเกินไปข้อที่หสงสัยในผลของการปฏิบัติ วิธีระงับยีวอนก็เป็นวิธีไม่ยากคือไม่นึกถึงมันเลยถ้าไป่นึกถึงมันเลยจะทำไงนึกถึงจะเพาะลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าอจิตเขารับทราบอย่างเดียวเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวก็รู้ให้ใจเข้าสั้นก็รู้ให้ใจออกยาวก็รู้ให้ใจออกสั้นก็รู้ ขณะที่จิตรู้ลมให้ใจเข้าใจออกนี่เป็นสมาธิที่เรียกว่าที่เรียกว่าอานาปานุสติกรมฐานนอกจากนั้นในเมื่อเราจะฝึกอวิญญาก็ต้องใช้คำภาวนาควบคำภาวนาใช้สี่คำแต่ความจริงคำภาวนาก็บอิญญาณ น, น, นี่มีเยอะนะมีตั้งหลายสิบอย่าง แล้วเลือกมาเฉพาะนามะปัทะเพราะเห็นว่าได้เร็วและมีสภาพแจ่มใสกว่าอย่างอื่นได้ก็เร็วมากให้ใช้คำนาสีคำวณนามะปะัทะเวลาให้ใจเข้านึกว่านามะเวลาให้ใจออกนึกว่าปะทะพอย้อนข้างหนึ่งนะว่าเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะ เวลาให้ใจออกนึกว่าพาทะขณะที่ภาวนาอยู่เวลานั้นจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดเพราะว่าถ้าไปอยากรู้อยากเห็นเข้าจิตก็จะไม่เป็นสมาธิให้ความเป็นทิพก็จะไม่เกิดความเป็นทิพย์จะยังไม่เกิดในขณะที่ภาวนาด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ต้องสร้างทิพ ญ, ญานให้เกิดก่อน ทิพย์กุยายเกิดแล้วทุกอย่างก็ได้หมดคำว่าทิพย์จุกุญานก็ไม่ใช่หมายความแาลูุกตาเป็นทิพย์ถาคนที่มีลูกตาเป็นทิพย์ต้องเป็นเทวดาหรือพรหมสำหรับเราที่เป็นมนุษย์นี่มีลูกตาเป็นทิพย์ไม่ได้ต้องเอาสัยใจเป็นทิพย์นีคำว่ายานท่านแปลว่ารู้ให้จาตัวนี้ให้ดีนะ ถ้าแปลเป็มศัพท์แปลว่ามีความรู้สึกทางใจคลายตาทิพย์อ่ขอสั้นก็มว่าคำว่าทิพยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคลายตาทิพย์ในความหมายว่าเชืออารมณ์ใจเป็นสาคัญอย่างทุกคนที่มาจากบ้านอยากจะทราบว่าทางบ้านปิดประตูเปิดตาต่างไว้หรือเปล่าหรืออะไรวางไว้ตรงไหนหรือเปล่านึกดู จิตจะบอกถ้าอย่างนั้นหรือว่าอยากจะทราบว่าใครมีความสุขใครมีความทุกข์อะไรอันนี้จิตสภาวามรู้สึกของจิตจะบอกแต่ว่าคํว่าเจ้าคำว่าทิุ ญ, ญานี่ที่ฝึกกันต้องแบ่งเป็นสามชั้นว่าแต่ว่าทั้งนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้แบ่งคนที่ปฏิบททัติทำแบ่งกันเองทั้งนี้เพราะมีกําลังใจสะอาดไม่เท่ากันคําว่าเป็นทิพย์ของจิตจะมาใจสะอาดจากกิเลส ถ้ามีใจสะอาดเล็กน้อยมีความเป็นทิพย์เล็กน้อยจิตจะมีความรู้สึกอย่างเดียวจิตจะไม่เห็นภาพอันนี้เราไม่ใช้ตาแล้วนะหลับตาแล้วก็มาใช้แต่วรู้สึกของจิตแต่จิตสะอาดปายกลางจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพไม่ชัดเจนนะักถ้าจิตสะอาดถึงที่สุด เมื่อจิตมีความรู้สึกแล้วจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากทีนี้ความเป็นทิพย์ของจิตสะอาดจะตอนไหนต้องตอนที่มีคนเข้าไปแนะนําตอนภาวนาในไปของธรรมด า, าเขาจะให้ภาวนาประมาณสิบนาทีขณะที่ภาวนาอยู่รู้ลมหายใจก็ออกอยู่ว่าจะพลาดบ้างไปของธรรมดา ตอนที่ภาวนาไปแล้วรู้ลมให้ใจเขาออกแล้วเดี๋ยวเดียวมันก็เผลอจิตคิดโน่นคิดนี่ไปก็อย่าต้องอย่าจำอย่าจำหนีตัวว่าเลวไปขอธรรมดาเพราะเราเริ่มฝึกเมื่อรู้สึกตามนั่งกกลับมาจับอารมณ์ใหม่รู้ลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกว่านะมะใหใจออกเหนาา่งพระทะอนี้ตอนที่เข้าฝึกมีครูเข้าฝึกขณะที่มีครูเข้าไปนั่งกลางวงนั้นครูเข้าไปสอน ตอนนั้นขอทุกคนเลิกให้เลิกรู้เลิกรู้ลมให้ใจเขาออก ท, ทันทีไม่สนใจลมให้ใจเขาออกหยุดไปเลยแล้วก็หยุดภาวนาด้วยลมให้ใจเขาออกก็ไม่สนใจคํำบรนายก็เลิกแต่ว่าเอาจิตเข้าไปสนใจกับเสียงของครูผู้สอนครูผู้สอนเขาจะแนะนําในการตัดกิเลสตอนนั้นเราจะตัดได้หรือไม่ได้ทำไมสําคัญ ถ้าขณะนั้นเราตั้งใจฟังด้วยความเคารพฟังเคารพในธรรมถ้าทํามีโอกาสอาจจะคิดไปได้ไปด้วยก็ได้ถ้าไม่คิดก็ฟังเรื่อยไปขณะที่ฟังธรรมะอยู่เขาแนะนำธรรมะเวลานั้นจิตจะว่างจากกิเลสเมื่อครูเห็นว่าจิตว่างจากกิเลสความเป็นทิพย์พอมีสมพอมีสมควรพอสมควร เขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างคําถามของครูไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลเขาเองเขาหมายถึงเทวดาเรื่องนางฟ้าเรื่องพรมหรือพระ อ, อ, อ, อ, อ, อริยเจ้าเพราะเวลาเจริญกรรมฐานท่านสงเคราะห์ถ้ามีความรู้สึกว่ามีแะไม่เห็นให้ตอบทันทีตามความรู้สึกของจิตถือเรื่องจิตเป็นสําคัญ เห็นไม่เห็นไม่สําคัญถ้าจิตมีความรู้สึกแบบไหนตอบตามนั้นถ้าก็ถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้หลายคนในการอาจจะเห็นเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างเพราะถ้าที่มาถ้าเป็นนางฟ้าถ้เกิดเป็นผู้หญิงเป็นเทวดาถ้าเกิเป็นผู้ชายเป็นธงก็มีสภาพผู้ชายเป็นพระอรหันก็มีสภาพผู้ชายหรือเป็นพระธเจ้าก็มีสภาพผู้ชาย ก็ตอบตามความรู้สึกของตัวเองท่านก็ถามว่าท่านที่มาเท่าที่เห็นเท่าที่มีความรู้สึกท่านนุ่งแต่งตัวเสียอะไรก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นครูเห็นว่ามีความมั่นคงพอก็จะแนะนําให้ทุกคนไปที่พระจุลาม牟尼เจดีสถานที่ตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึืองสทวโลกเป็นเจดีเจดีใหญ่ เป็นที่บรรจุพระเกี่ยวแก้วแล้พระบรมอาพระเมารีคือผมพระพุทธเจ้าแล้วพระเกี่ยวแก้วพระเจ้าทุกๆพระองค์ไปที่นั่นแทนยราจะเห็นพราเกี่ยวแก้วกับผมเราจะเห็นพระพุทธเจา้าข้ารหันพระเทวดากับผมมากในเมื่อทุกคนได้ทำมาเสกการครบถ้วนแล้วต่อนั้นไปทูปทก็จะแนะนำในการตัดเกี่ยวเดียวกันหนึ่ง ถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งพอครูก็จะนำให้ทุกคนไปรู้จักนิพานในสำหรับค น, คนใหม่นะสาหรับคนเก่าจหวังก็ต้องการมีการซักซ้อมใีการคล่องตัวเวลานี้ทุกคนนึกถึงทุกในอริยสัตย์ให้มีความรู้รสึกตามความเป็นจริงว่าการเกิดมันเตรียมบริความทุกข์ ความหิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์ความป่วยไข่ไม่สบายก็ทุกข์ความพัดผ้าอยากของรักของชอบใจก็ทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็ทุกข์ในเมื่อเราเกิดชาตินี้มันทุกอย่างนี้คนทำได้แล้วน่าจะมีปกุกเพนวิวาสัญญาณอา ร, รชาติได้เพราะการริยชาติได้จยเป็นของธรรมดาของการฝึกแบบนี้ ควจะถอยหลังก็ไปไวชาติไหนบ้างที่เราเกิดแล้วไม่มีทุกข์เราจะเห็นก็เห็นว่าทุกชาติที่เกิดมาแล้วก็พบแต่ความทุกข์ก็ใช้อดีตตางสียานอนายตต่างสียานต่อไปข้างหน้าถ้าเราไปเกิดใหม่เราจะเป็นอะไรจะไม่มีทุกข์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดพระเจ้าจากักรพรรดก็ทุกข์พระเจ้าจักพราากพรก็แก่เป็นหิวเป็นบทิจาระปัสสาวะเป็นเหมือนกันทุกอย่าง จะเป็นกระสัเกระสย ก, ก็ทุกจะเป็นมหาเศรษฐีก็ทุกในสุดแดนมนุษย์ทั้งหมดเต็มไปด้วยความทุกข์ที่มีความสุขจริงก็คือแดนเทวดาเทพธมการแดงเทวดาเทพมมีความสุขจริงแต่สุขไว่นานในสุดหมดวาสนาบรารมีก็ต้องกลับมาทุกข์ใหม่แดนที่มีความสุขใหญ่จริงๆไม่ทุกต่อไปคือแดนนิพพานเราตัดสินใจเพื่อนิพพานโดยเฉพาะ แน่ใจไปตั้งไว้ที่นิพพานโดยตรงให้นึกถึงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเจริญกรรมาฐานแบบนี้ของเราถือมุตคุตาลุกติกรรมาฐานเป็นพื้นฐานใหญ่เป็นปฐมเป็นต้นอันดับแรกทุกคนนึกถึงพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนหลังจากนั้นเมื่อครูเข้าไปสักซ้อมทุกคนจะมีสภาพแจ่มใสที่มีการคล่องตัวอรรัมดา ย, ยาโยมพุทธบริษัทหลายเรื่องการพูดกันกย็ยติกิตนตรงนี้อันนันนั่นเองขอเชิ